วักที่หนึ่งเรื่องที่สาการระงับเวรพระพุทธภาสิทธิ์อักโกชิมังอวะทิมังอาชินิมังอาหาสิเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนัสัมมติอักโกชิมังอวะทิมังอาชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปนัยหันติเวรังเตสูปสัมมติ บุคคลใดผูกเวรว่าผู้นี้ได้ด่าเราได้ตีเราได้ชนะเราได้ลักของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนบุคคลใดไม่ได้ผูกเวรไว้เช่นนั้นเวรของผู้นั้นย่อมระงับลงได้อธิบายความคำว่าผูกเวรในความหมายทางาศาสนาหมายถึงการผูกใจจิบหรือพยาบาทนั่นเอง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 แนวคิดอย่างนี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่จงดูตัวอย่างเรื่องพระจักรคูบาลในเรื่องที่หนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วท่านมีเวรในอดีตด้วยการประกอบยาทําให้หญิงคนหนึ่งตาบอดมาในชาติสุดท้ายท่านจึงมีภัยคือการตาบอดในขณะทาความเพียรอาจมีคนคัดค้านว่า ท่านตาบอดเพราะทําความเพียนโดยไม่นอนตังหากหาใช่เพราะกรรมเก่าแต่ประการใดไม่ถามว่าก็อะไรเล่าชักนำหรือโดนบันดาลให้ท่านเห็นดีเห็นงามในการประพฤติเช่นนั้นมิใช่แรงบันดาลแห่งกรรมเก่ากหรือแรงกรรมมีอำนาจเหนือสติปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านัตถิกรรมะสมังบลัง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 พระติดสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปีตุจฉาของพระศา ส, สดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติดสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาบสการะมากผู้หนึ่งชอบ่มจีวรสีสวยรียดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบ หมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนนิบัติเช่นท่านจะได้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสะนั่งเฉย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 คือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัติยะมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบ ท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจักได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดา ความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทําให้พระติสระร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสตําหนิพระติสระนานาประการที่ไม่ได้กระทํากิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นมิได้ลุกขึ้นต้อนรับมิได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ําดื่ม ไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติดสะขอโทษพระอาคันตุ ก, กะเหล่านั้นเสียแต่พระติดสะไม่ยอมทาอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติดสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสีย ถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดือ้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีต พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตกาลมิดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมะวันตับประเทศแปดเดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4ี่เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมิดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อนาระทะ มาจากคินมืวันต่างประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวถ้าไม่เป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ในโรงทำม่อของข้าพเจ้ามีดาบ ท, ท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนาระทะจึงทำความตกลงกับเทวระเทวระยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนาระทะได้กำหนดไว้แล้วว่า เทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจกได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงๆเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนาระทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนาระทะทำไมเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์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 แม้นาระทะพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคาสาบว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้สีรษะของนาระทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนาระทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้สีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็นาระทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80บกับ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 จึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยวัตรทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอะไรอะไรทรงเฉลียวพระทยัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบทสองท่าน มาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาส่งแน่พระไยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาวบด ท, ทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากนารัฐดาบดตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวะจึงจะพ้นอันตราย นารทดาบสถถวายพระพรว่าต้องให้เทวละขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤธิพระอาทิกขึ้นมาเทวละก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวละดาบสขอโทษแต่เทวละไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวละดาบสแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษ ด, ดังนี้ เทวละมิได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาสีสะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนารท้าจึงออกอุบายให้นำเทวละลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกสีษะไว้พอท่านคลายฤตให้เทวละดำไปผุดที่อื่นเสียเทวละดาบทได้ทำดังนั้นนารท้าคลายฤตพระอาทิตย์ขึ้นมา เทวระดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึง่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวราดาบทเป็นพระติดสะหัวดือ้อส่วนนารัาดาบทคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระติดสะว่าดูก่อนติสะเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่า ผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวนของผู้นั้นย่อมไม่ระ ง, งับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวนของเขาย่อมระ ง, งับลง